ตรงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะอกังกวันเนี่ยร้อนนะอ่ากลางคืนมันก็เมื่อสอวันก่อน็หนาวเนาะมันมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมจริงๆแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ตอนนี้มันฤดูอะไรกันแน่เนี่ยไม่รู้ว่าฤดูอะไรบางบางทีกลางวันร้อนนะตอนเย็นฝนตกกลางคืนหนาวอะไรเงี้ยมันเลยวันหนึ่งสามฤดูนะ คือทางฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเ <c oughs> นาะแต่ว่าเมืองเมืองไทยก็จริงๆแล้วก็ดีนะอากาศพอดีถ้าเป็นอินเดียเนี่ยจะร้อนมากร้อนก็ร้อนมากหนาวก็หนาวมากเนาะเพราะฉะนั้นคนจะต้องมีมีความอดทนเป็นอย่างมากนะอ <c oughs> ถ้าคนที่อยู่อินเดียเนี่ยไม่อดทนก็อยู่ลําบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่าความเปลี่ยนแปลงเยขาเรียกว่า เป็นความเปลี่ยนแปลงที่นํามาเปงไหะไรนำมาเึ็นความทุกข์ใช่ไหมความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนำมาเป็นความทุกข์นะมันมันจะเปลี่ยนนะมันมันจะมีการเปลี่ยนกลยอยู่เรื่อยใช่ไหมจากคนหนุ่มคนสาวก็กลายเป็นคนแก่ใช่ไหมมีความทุกข์ใช่ไหมแต่บางทีเปลี่ยนกาเป็นความสุขก็มีนะบางทีอ่เด็กนะโตขึ้นมาเป็นคนหนุ่มสาวเน่มันก็มีความสุขใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้น ชีวิตเรานะมันจึงมีความเปลี่ยนแปลงสุขบ้างทุกบ้างใช่ไหมบางครั้งเราก็มีความสุขบางครั้งเราก็มีความทุกข์นะอันนี้คือคือความที่เรียกว่ามันไม่ได้ไม่นอนในชีวิตใช่ไหมแต่จะพูว่าระวังใจได้ไหมใช่ไหมอ่าเราเราเจอความสุขเราไปยินดีมากไหมใช่ไหมถ้าเรารู้จักความสุขนะเราก็อ่าชอบใจอะไรนะอ่ามีความชอบใจ มีความยินดีมีความพอใจก็กลับมารู้ตัวเราเองนะโอ้ oh, <c oughs> เห็นตอนนี้เรากำลังมีความสุขนะคือความสุขมันเป็นของภายนอกใช่ไหมแม้แต่ใจเราไหนที่เข้าไปมีความสุขต่ขงางๆมันก็เป็นของภายนอกอยู่นั่นแหละมันไม่ได้เป็นของที่ยังแค้อะไรใช่ไหมเราก็กลับมารู้ใจเราก็ oh, ตอนนี้เราก็มีความสุขนะอในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้มันก็ไม่ไปติดใช่ไหมถ้าเรารู้มันไม่ไม่ไม่ไปติดมัน ถ้าเราไม่รู้มก็ไปติดความสุขแต่เรารู้ใจใเฉยเแล้วก็ดูโอ้ความสุขเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะมันก็ไม่ไปติดในชะ่ไหมเนี่ยมันก็เลยรู้ทันอ่ารมณมทั้งหลายแหละเนาะแล้วก็คนเราไม่ติดความสุขนนใจมันก็มันก็ปล่อยปล่อยความสุขได้มนะั้ยแต่พอใจมีความทุกขนะ์ใช่ไหมมันบางทีเราจะเจอลมที่ไม่ชอบใจไม่พอใจเนี่ยเดียะแยะนะ อันเนี้ยเราบังคับไม่ได้นะเออคนต้องมาทําดีกับเราหรือว่าต้องพูดดีๆกับเราอันเนี้ยเราบังคับใครไม่ได้นะตรงนี้คือของภายนอกเราบังคับไม่ได้หมดเลยใจเรววาก็เข้าไปในความไม่พอใจความอความโกรธนะความหงุดหงิด ต, ต่างๆอันนี้เป็นอารมณ์ที่เราว่าเรามันอยู่ภายนอกนะมันเป็นของภายนอกเหมือนกันนะถ้าเราเข้าไปในลมอันเนี้มันเป็นของภายนอกแต่ถ้าเราเข้ามารู้ใจแล้วนะเออตอนนี้ใจเรา กำลังไม่พอใจนะกำลังหงุดหงิดกําลังโกรธเนี่ยมันเข้ามารู้ภายในนะมันรู้ใจในตรงเนี้ยมันไม่จะเป็นรู้อารมณ์แต่กลับมารู้ใจเราตอนนี้ใจเรากำลังโกรธกาลังหงุดหงิดกาลังไม่พอใจเนี่ยมันมันก็วางใช่ไหมมันเห็นได้เพิ่นเป็นของชั่วคราวมันก็วางมันไม่ไม่ไปติดไม่ไหลก็ายเป็นลมนะไม่ไปสนใจภายนอกแต่กลับมาสนใจภายในนะตรงนี้เราพอจะความทุกข์ได้นะพอความสุขความทุกข์ระบังคับไม่ได้หรอกมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเมันก็เกิดก็มันนั่นแหละ แต่อยู่ที่เราวางใจถูกไหมใช่ไหมก็คือกรรบรร้ใจเราจริงๆไม่เข้าไปในะลมนั่นแหละเนาะมันพอจะความทุกข์ต่างๆได้อันนี้ก็มีมีประกาศทางลงทั่ว